ตามปกติแล้วเนี่ยอะไรที่เราเพิ่งเจอเพิ่งสัมผัสครั้งแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันมีคุณมีโทษอย่างไรบ้างจะต้องเผลอนะหรือต้องไปสัมผัสแั้ครั้งสองครั้งเนี่ยบางทีครั้งเดียวก็พอแล้วก็รู้แล้วว่ามันมีคุณหรือมีโทษ อย่างเด็กเล็กๆเนี่ยนะพ่อแม่เอาขนมเค้กีเทียนวันเกิดนะปักอยู่บนขนมเค้กเนี่ย <c oughs> เด็กตัวเล็กๆนะขวบสองขวบเนี่ยบาทีสามขวบย้งไม่เคยเจอเทียนวันเกิดนะก็จะเอามือไปแตะ แล้วก็จะรีบชักมือกลับทันทีเลยเพราะว่ามันร้อนอบางคนเนี่ยนะเห็นผู้ใหญ่เป่าเทียนก็เอาบ้างนะโน้มตัวไปแล้วก็อมเทียนเลยโดนเปลวเทียนเผานะก็ร้องไห้นะอันนี้ดูจากคลิปวิดีโอนะเขามีคนส่งมาว่าเนี่ยเด็ดจำนวนมากเลยนะ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 อันตรายมันเป็นโทษพอเชื้อเข้ามาใหม่เนี่ยผูมหัการ่างกายเรามันก็จะตื่นตัวทันทีแล้วเข้าไปจัดการกับเชื้อนั้นไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียจะเป็นไวรัสหรือแม้แต่สารพิษด้วยซ้ำนั้นเนี่ยมันมีหลายโรคทีเดียวพอเป็นแล้วเนี่ยแค่ครั้งเดียวก็ไม่เป็นอีก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 สัตว์เนี่ยนะเราดูนะมันมีสัญชาติยานระแวงภัยแต่ถ้าเป็นสัตว์ที่ไม่เคยเจอคนมาก่อเลยนะตั้งแต่บรรพบุรุษเลยนะมันยอมให้คนเข้าใกล้นะตอนที่ชาวดาวินเนี่ยไปเกากะกาลปะกอสเนี่ยซึ่งอยู่แถวลาตินอเมริกานะพวกเราคงรู้จักดีนะชาวดาวินเนี่ยเขาคนพบทฤษฎีวิวัฒนาการ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 หมาหมาป่าหมาจิ้งจอกนะสัตว์เลื้อยคลานไม่ต้องอย่าว่าแต่เต่าเลยนะแม้แต่สัตว์อ่าที่เป็นพวกตะกวดอะไรทํานองนี้นะมันเจอคนนะนะมันก็ยอมไม่เข้าใกล้นะอย่างปะสนัขจิ้งจอกเนี่ยนะมันยอมไม่คนเข้าไปใกล้คนนี่ก็ลายเหมือนกันนะเดินไปหามันนะ แล้วก็เอาค้อนทุบหัวมันเลยตายมันไม่หนีนะแต่พอสัตว์เนี่ยเจอคนบ่อยๆนี่มันรู้แล้วว่าคนยันตรายมันก็ไม่ยอมไม่เข้าใกล้นะมันก็จะมีนิสัยเหมือนกับสัตว์ที่เราเห็นอยู่นะทุกเวทุกวันหรือว่าสัตว์ป่าการที่มันได้เจอนการที่มันได้เจอคนนะ หรือว่าเจอภันะมันทำให้มันฉลาดแล้วก็เรียนรู้ว่าอ้อนี่คืออันตรายนะเด็กก็เรียนรู้ว่าเปลวไฟเนี่ยนะมันร้อนอันตรายนะเชื่อโรคเนะข้ามาในร่างกายร่างกายแล้วก็โดนหลอกได้ครั้งเดียวได้ครั้งต่อไปก็จําได้ การที่ได้สัมผัสการที่ได้เจอเนี่ยหรือการที่ได้เห็นบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดความฉลาดขึ้นมาที่ว่าต่อมาเนี่ยมันมีลิงนะฝูงลิงอยู่หลายฝูงเนี่ยแล้วก็อารวาดกอบกวนมากมันก็เคยมีพระนี่ท่านนะทำกับดักนะก็ปรากฏว่าสามารถจะจับลิงได้ แต่ว่าหลังจากนั้นแล้วก็ไม่เคยจับได้อีกเลยเพราะว่ามันรู้มันฉลาดแล้วเหมือนก็มันบอกต่อๆกันไปด้วยเปลี่ยนจากกับดักมาเป็นโครงนะก็จับได้แค่ครั้งสองครั้งแนละ้วครั้งต่อไปก็จับไม่ได้อีกการที่ได้เจอได้สัมผัสนะการที่ได้เห็นเนี่ยมันก็เกิดการเรียนรู้นะก็ทาให้ไม่หลงตนไม่เผลออีกจะ แ, แปลกนะ จิตใจเราเนี่ยทั้งทั้งที่เจอนะความโกรธเจอความเครียดเจอความฟุ้งเจอความเศร้ามาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ว่าก็ยังโดนมันหลอกยังพลาดท่าเสียทีปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้ครอบงำอยู่เป็นประจำ อันนี้หลวมถึงความคิดฟุ้งซ่านเลยนะที่มันเพ้อคิดไปทั้งที่เราก็รู้นาะคิดเรื่องนี้มันทุกข์มันทําให้วิตตกทําให้หงุดหงิดทําให้หนักอกหนักใจแต่ก็ยังยังโดนในความคิดนี้นะมาหลอกนะหลอกใช้หลอกครอบงามจิตใจเราเป็นประจําทำํำไมเป็นอย่างนั้นนะถ้าเจอบ่อยๆนี่น่าจะฉลาดนะ แม้แต่สัตว์เดรัชาเนี่ยแค่เจอภัยไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นผลไม้ที่เป็นพิษหรือเจอมแมลงเช่นมดพึ่งเนี่ยนะมันเจอข้างสองข้างมันก็รู้ล้โออันนี้อันตรายไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ควรคล้องแวะหรือไปเกี่ยวข้องด้วยพอมานะไม่ว่จะเป็นมแมลงมดพึ่งนะ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 ปนะล้นเอาเงินเอาโทรศัพท์เสร็นะจแะละ้วปล่อยเด็กไปพอรุ่งขึ้นมันมาอีกมิฉาชีพตัวเดิมนั่แหละคนเดิมแล้วก็เด็กก็ยังเชื่อลูกไม้เดิมนะมิฉาชีพก็มาบอกว่าพ่อไม่สบายแม่ป่วยนะเด็กก็ตามไป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 มิจฉาชีกวก็คืออารมณ์นะที่มันมาหลอกมาหลอกเราอยู่เป็นประจำนะโดยเพราะเนี่ยนะเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ตั้งใจนะว่าเราจ ะ, ะไม่เผลอนะเราจะมีสติรู้ตัวมือเคลื่อนไหวใจก็รับรู้รู้สึกเดินจงกรมก็รู้สึกรู้ตัวกำลังเดินและเป็นไง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 เด็กแบบนี้ไม่มีนะในชีวิตจริงนะ่ะไม่มีเด็กแบบนั้นหรอกโดนหลอกแค่สองสาครั้งเด็กก็รู้แล้วว่าไ อ, อ, อ, อ้มิฉาชีนี้พอมาอีกนะจําหน้าได้จําเสียงได้ถึงแม้จะใส่หนวดเติมคราวเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจําเสียงได้เด็กรู้เด็กฉล า, าดเด็กก็ไม่ยอมให้มิชาชีพนี้หลอกไปได้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 อันนี้ถ้าจะอธิบายก็คงเป็นเพราะว่ามันหลงนะเหมือนกับว่าไอตอนที่เจอมิจฉาชีพเนี่ยนะเมานะหรือว่ามันมึนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิจฉาชีพกึงหลอกได้ครั้งแล้วครั้งเล่าพอทุกครั้งที่โดนหลอกเนี่ย ม, ม, มึนมันมึนมันะงงนะก็เลยไม่เกิดการเรียนรู้ นะก็เสียท่านะพลาดท่าเสียทีทุกครั้งไปไอความมึนความงงเนี่ยนะนะมันไม่ใช่เพราะว่ามึนยาหรือว่าเมาเหล้านะแต่เป็นเพราะมันหลงลืมตัวนะความหลงเนี่ยนะความหลงเนี่ยความหมายหนึ่งคือไม่รู้ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ย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 ก็จะโดนวิชาชีพหลอกได้ไม่เกินสองสาครั้งเพราะว่าความผิดพลาดแต่ละครั้งก็ทำให้เกิดการเรียนรู้นะเหมือนกันเด็กนะทารกที่อมเทียนวันเกิดนะแค่ครั้งเดียวก็รู้แล้วว่าทีหลังอย่าอมนะการที่เราเจริญสติเนี่ยมันทำให้เรานะได้เห็นได้เรียนรู้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 ลักษณะหรือคุณสมบัติของสติอย่างหนึ่งนัก็คือการจําลักษณะอาการนะได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นภายนอกหรือภายในรูปธรรมหรือนา ม, มาธรรมภาษาบษาลีเขาเรียกว่าถี่รัศนญย์ถี่รัศนีย์คือเพราะสัญญาคือจําได้หมายรู้จําได้หมายรู้ลักษณะอาการน ะ, น, ะนะเช่นเราเห็นคนนี้เราก็จําได้นะว่าคนนี้เนี่ยนะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เรา ได้ยินเสียงเราเนี่ยนี่คือเสียงอะไรนะเสียงโทรศัพท์นะเสียงระฆังเสียงสัตว์อันนี้เป็นทีรสัญญาณในเรื่องเกี่ยวกับรูปลักษณ์เสียงสัมผัสแต่ถ้าเราเจรอสตินะโดยพระสดิปัฏฐานเนี่ยมันจะจําอาการของอารมณ์พวกนี้ได้แล้วเพราะฉะนั้นพอมันโผล่มาเนี่ยก็จะรู้แล้วก็จะไม่โดนมันหลอก หรือโดนมาล่อลวงไปนะคนที yeah. ่เจริญเสด็จบ่อยๆนี่ก็จะรู้ทันอารมณ์ได้ไวใหม่ๆก็จะโดนหลอกไปสักพักนะเช่นเหมือนกับเด็กที่โดนหลอกไปจนออกไปนอกโรงเรียนแล้วนะแต่ก่อนจะถึงทางเปลี่ยวก็มารู้ทันมารู้หรือจำได้ว่าไอ้นี่มันมิจฉาชีพพราสะบัดมือหลุดออกไปก็คล้ายๆกับเวลาเราเราคิดฟุ้งปรุงแต่งไปนะ แต่ก่อนเนี่ยคิดไปได้สิบเรื่องนี่กว่าจะรู้ตัวว่ากำลังเดินจงกร ม, มกำลังยกมือสร้างจังหวะแต่ตอนหลังเนี่ยคิดไปได้แค่8ดเรื่องก็รู้ตัวแล้วแล้วก็ถอนจิตออกมานะสติมันเป็นตัวถอนตัวดึงตัวเรียกจิตออกมานะอย่าไปไม่ให้ไปหลงนะเชื่ออารมณ์เหล่านี้และต่อไปจะจำได้ไวขึ้นนะแต่ก่อนนี่ออกไปนอกโรงเรียนแล้วถึงจาได้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 ทีลสัญญาณของสติเนี่ยหรือว่าความจําได้หมายรู้ในสถานการณ์เนี่ยของสติเนี่ ย, ม, ม, ม, นนาา ย, ยมันพัฒนาแต่ว่าการจําได้หมายรู้ของสติเนี่ยมันจะไม่ไวเหมือนกับตัวอย่างที่อาตมาพูดมา mm. เช่นผมกับร่างกา ย, ยมันเจอครั้งเดียวเจอโชั่วครั้งเดียวมันจําได้แต่ว่าสตินี่มันต้องเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆไม่ใช่แค่5ครั้ง10ครั้งบางทีอาจจะเป็น 20- 30ครั้งถึงจะจำได้ มันคล้ายกับเราท่องอักขยานนะไม่รู้สมัยนี้ยังท่องอักษรานั่นอยู่หรือเปล่าเอาหรือท่องศัพท์ก็ได้นะศัพท์ภาษาอังกฤษศัพท์ภาษาจีนเนี่ยเจอทีแรกก็ยังจําคําแปลไม่ได้นะเจอครั้งที่สองก็ยังจําคําแปลไม่ได้นะต้องเปิดดิกต้องเปิดพจนานุ ก, กรมนะบางทีต้องเจอสิบครั้งถึงจะจําได้ว่าไอ้คํานี้มันแปลว่าอะไร หือเมือ่อกะท่องขอยันเนี่ยจะท่องแล้วท่องอีกท่องแล้วท่องอีกนะประมาณสักสิบยครั้งถึงถึงท่องได้ขึ้นใจนะบทสวดเหมือนก็เป็นการนะต้องสวดแล้วสวดอีกนะผ้ า, นผ า, าเนี่ยผ้าบวชใหม่เนี่ยบวชมาครึ่งเดือนแล้วบางทียังท่องบทสวด ม, มันไม่ได้เลยนะแม้ว่าจะพยายามตั้งใจจำนะแต่ต้องทำํำบ่อยๆทาบ่อยๆก็จะจําได้ นะมันจะคล่องสติเราเนี่ยนะจะคล่องจะจําได้ไวลักษณะอาการของอารมณ์แันนี้พอมันเกิดขึ้นนะไม่หลงเชื่อแล้วมันเกิดขึ้นก็เกิดไปนะแต่ว่าใจนี่ไม่ไปคล่องแวะด้วยอันนี้เรียกว่ามีเป็นอาการที่เรียกว่าเห็นนะไม่เข้าไปเป็นหลวงพ่อมเกียนท่านจะพูดอยู่เสมอเตือนสิทธิลูกศิษย์อยู่เสมอว่าเห็นนะอยากเข้าไปเป็นนะ ไอ้ที่เราเสียท่าความโกรธนะจมอยในความทุกข์เนี่ยเพราะว่าเราเป็นนะเป็นผู้โกรธนะเป็นผู้ทุกข์ไปแล้วแม้แต่ความปวดความเมื่อยนะก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหรนะ่นะส่วนใหญ่เป็นนะเวลายุงกัดคันเนี่ยก็ไม่ใช่เห็นความคันนะแต่ว่าเป็นผู้คันไอ้ความคันนี่มันก็เป็นเวทนานะแล้วก็มันก็เป็นศิลปะเหมือนกันนะ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 ผ่อนคลายรู้ว่าจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะหรือว่าจิตฟุ้งซ่านะก็รู้นะเราเรียกย่อว่ารู้กายรู้ใจนะรู้กายก่อนเราค่อยรู้ใจนะเป็นขั้นที่สองแล้วก็รู้เวทนาตามมาแล้วต่อไปมันกจะรู้ทำนะเริ่มต้นด้วที่รู้กายก็รู้กายก็คือว่าเวลากายเดินก็เห็น เห็นกามันเดินเห็นในที่นี้เนี่ยเห็นด้วยตาในคือรู้สึกว่ากายมันเดินแต่ก่อนเนี่ยนะเวลาปฏิบัติเนี่ยเวลาเดินเนี่ยก็คิดหรือสําคัญมาหมายว่าฉันเดินเราเดินหรือกูเดินเวลายกมือก็ไปคิดเอาว่าเนี่ยฉันเดินอะฉันยกมือ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 ไอ้ตัวเรามันจะหายไปตัวกูมันจะค่อยๆหายไปเมื่อเรามีสตินะอยู่ในอิริยาบถต่างหลวงอพอเขียนใช้ใช้กําว่ามันสติมันช่วยะลุงนะลุงมันก็แร่เนี่ยก้อนแร่ขี้แร่เนี่ยพอไปถลุงก็จะได้แร่แยกออกมานะแร่ชนิดต่างๆแยกออกมา เมื่อเรเจริญสติเนี่ยไอ้ที่เคยเห็นเป็นดุนเป็นก้อนว่าเราไปสําคันมาหมายนี่คือเราคือเราคือเราหรือกูเนี่ยนะพอเจริญสติเนี่ยไม่ว่าเดินหรือนั่งมันก็แยกออกมาไม่ใช่เราแล้วแต่มันเป็นกายกับใจกายกับใจมันเริ่มแยกออกมาแต่ก่อนไม่เห็นนั่นมันเห็นเป็นดุนเป็นก้อนนะแล้วก็สมมุติว่าเนี่ยคือเรานี่คือกูเราไปคิดว่ามันเป็นกูมันเป็นเราจริงๆ แต่พอเราเจริญสติเราจะเห็นความจริงที่มันละเอียดนะละเอียดไปกว่านั้นซึ่งเป็นความจริงไม่ใช่สิ่งสมมุตินะก็คือกายกับใจรูป ก, กับนามนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันมันมีประโยชน์มากเลยนะเพราะว่าเวลาปวดเนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยไม่เห็นตรงนี้ก็ไปไปคิดสําคัญว่ า, ากูปวดกูปวดนะแต่พอเราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ กายปวดหรือความปวดเกิดกับกายใจมันไม่รู้สึกทุกข์ไปด้วยละใจมันไม่รู้สึกทุกข์ไปแล้วเพราะเห็นว่าเนี่ยไอ้ที่ปวดเนี่ยคือกายปวดไม่ใช่กูปวดไม่ใช่จิตทุกข์นะจิตมันจะไม่ไปยึดนะเอาความปวดของกายนะมาเป็นทุกข์กต่อไปนะแล้วเวลามีความโกรธเกิดขึ้นที่ใจนะ มัน ก, ก็จะเห็นต่อไปด้ ว, ว่าความโกรธก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งความโกรธมันตั้งอยู่ที่ใจอาศัยใจเกิดแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นธรรมชาติของใจมันเหมือนกับไฟเนี่ยมันไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเนื้อไม้แต่ไม่มีใครที่จะบอกว่าไฟมันอยู่ในไม้นะใช่ไหมเวลาเราสีไฟเนี่ยเราเกิดเปลวไฟขึ้นมาเนี่ยเราบอกได้แต่เพียงว่าไฟเนี่ย มันเกิดกับไม้หรืออาศัยไม้เป็นที่เกิดแต่ไม่มีใครที่จะบอกว่าไฟมันอยู่ในเนื้อไม้เนนะนะเวลาโกรธเนี่ยนะเราก็จะเห็นอ๋อเราจะเห็นละเอียดว่าอ๋อมันมีความโกรธเกิดขึ้นที่ใจมันไม่ใช่เราโกรธ ด, ด้วยซ้านะตรงนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าถึงตรงนี้เนี่ยความโกรธก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรจิตใจไม่ได้ ถ้าเราเห็นนะไม่ค่อยเป็นเป็นมันเมือนก็กองไฟที่มันมันไหม่อยู่ข้างหน้าเราอยู่ห่งหางๆเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะยิ่งอยู่ห่างเท่าไหร่นะความร้อนของไฟก็ทําอะไรไม่ได้อันนี้เราเห็นเห็นเปลวไฟแต่ถ้าเขาไปอยู่ในกลางกองไฟมันทรมานมากมันร้อนมาอันนี้แหลเรื่องเรื่อนี้รองเป็นนะอันนี้เราทีเราก็เรียกว่ายึดนะ ไปยึดเอาความโกรธมาเป็นเราเป็นของเรานี่เป็นผู้โกรธเนี้ยสติมันช่วยทำให้เห็นนะแล้วความโกรธมันเกิดขึ้นก็คราวนี้ก็รู้แล้วความโกรธที่มันดีที่ไหนไม่น่าเอาเลยเพราะมีสติเห็นนะเคยมีคนถามหลวงปูดดูลนตุโลว่าเนี่ยเขาลือว่าท่านเป็นพระอารหันต์ก็ถามหลวงปู่มีโกรธไหม ถ้าบอก ม, ม, อมีแต่ไม่เอามีแต่ไม่เอาทํไมถึงไม่เอาก็เพราะรู้ว่ามันไม่น่าเอาตรงไหนความโกรธมันน่าเอาไหมไม่น่าเอาแต่ส่วนใหญ่ไม่เห็นนะโกรธทีไรเอามันทุกทีหรือไปไปยึดไปคลองหรือไปจมอยู่กับความโกรธนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยนะ ไม่ใช่แค่มีความโกรธแต่ไปเอามันด้วยไปยึดมันหรือว่าโจรเข้าไปในความโกรธนะแต่หลวงปูดด่ดูลีท่านท่านมีแต่ท่านไม่เอานะท่านพูดแบบถ่อมตัวนะท่านไม่ได้พูดมบกว่าไม่มีโกรธเลยท่านพูดแบบท่อมตัวมีแต่ไม่เอาเพราะถ้ามีปัญญาเห็นว่ามันไม่น่าเอาตรงไหนนะเราก็รู้ใช่ไหมความโกรธ ม, ม, มันไม่น่าเอา แต่นี่มันรู้ด้วยสมองแต่ถึงเวลาโกรธทีไรเสร็จมันทุกทีเพราะตอนนั้นเราหลงล้นะเหมือนกับเด็กที่ถูกมอมยานะหรือผู้ใหญ่ถูกมอมยานะืใครพาไปก็ไปไมิจฉาชี่จะพาไปไหนก็ไปแล้วก็ถูกมอมยาอยู่เรื่อย ก, ก็เลยเสียท่านะเสียทีมันทุกครั้งนะแต่ถ้ามีสติมีความรู้รตัวเนี่ยนะมันก็จะรู้โดยลําดับ หลังจากที่เจอความโกรธครั้งแล้วครั้งเล่าหนึ่งหน้าตามันเป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่างนี้มาทีไรเราไม่เผอแล้วไม่ไม่เชื่อมันละสองเห็นโทษด้ดวยว่ามันไม่น่าเอาไม่เผอไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าไม่มีสตินะมันก็จะไปยึดอยู่เลยว่าเนี่ยเราโกรธเราโกรธเราโกร ธ, รกรธมันไม่ใช่เราโกรธนะความโกรธมันแค่เกิดขึ้นที่ใจเฉยๆต้องเห็นตรงนี้แหละ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 ใช้คำว่ามันทําอะไรเราไม่ได้ก็ได้เนี่ยสติมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละนะหลายคนอ่ะ จ, จะมาเพราะอยากจะสงบนะแต่ว่าไม่ค่อยตระหนักว่าจริงๆจะสงบได้เนี่ยนะมันต้องอาศัยความรู้ตัวนะสติเป็นพื้นฐานด้วยเพราะว่าถ้ามีสติมีความรู้ตัวอย่างที่ว่ามาเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นสมมาสตินะ ซึ่งเกิดจากสติปัฏฐานเนี่ยสติมันมีหลายแบบนะสติธรรมดาเฉยๆก็มีสัมมาสติเนี่ยเรากำลังพูดถึงสัมมาสตินะความเราลึกรู้เรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่เราลึกได้เรื่องอื่นเรื่องนอกตัวนี้เรียกวสติธรรมดาแต่ถ้าราลึกรู้เรื่องกายเรื่องใจอันนี้เรียกว่าสัมมาสติสิ่งนี้แหละนะ่ชื่อจะช่วยทำให้ใจสงบได้แท้จริงอะไรมากระทบหูเสียงอะไรมากระทบหูนะใจกับเพื่อมก็รู้นะ จากเดิมที่ยินร้ายพอมีสติก็เฉยๆนะไม่ยินร้ายแล้วนะมีอะไรมากระทบตามีอะไรมาสัมผัสกายที่เคยเป็นทุกข์เคยปวดเคยยินร้ายนะแต่พอมีสติก็ก็รู้มีความโกรธมีเกิดขึ้นก็รู้แต่ไม่เอานะมีความโกรวเกิดขึ้นก็รู้นะไม่เอาอันนี้เรววาเห็นมันแนละ้วไม่ค่อยไปเป็น จับหลักตรงนี้ให้ได้นะการปฏิบัติของเรามันก็จะเห็นมากเห็นผลนะเอาลราคำนียมพกทธทนนี้